โยมเป็นไงบ้างโยมก่อนจะขัดแน่นตอนนี้รู้สึกบาดบาน ท, ท, ทีก็สมใจเพระ่เป็นนั้นมันมีนนติดที่ว่างๆนั่นมายว่เป็นปกติตจิตของโยมตอนนี้เป็นไงจิตอตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่หรือยังติดอยู่นิดนึงตับถูกแล้วใช้ได้ที่จริงแล้วนะจิตเป็นยังไงก็ได้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 พาเกิดความเข้าใจนี่จะเปลี่ยนคุณภาพในฉับพลันวับเดียวเคยดูไปนะอย่าตั้งใจดูแรงไปดูออกไหมแรงไปนิดหนึ่งดูสบายๆควสบา ย, บายคนไหนเคยมาเราจะส่งกันบ้านบ้างคุณแมวเดี๋ยวจะได้สอนคนใหม่ <c oughs> เหมือนกันหมดแล้วสมัยก่อนหลวงพ่อก็รอวันเสาร์อาทิตยนะ์ถึงไม่มาวัดก็ชอบให้เรารู้ทันใจเราไม่เสมอกันไม่ต้องให้เสมอหรอกมันไม่เสมอกันเรารู้ว่าไม่เสมอพอละไม่ต้องไปทำให้เสมอกันนะรู้อย่างที่เขาเป็นจับหลักให้แม่นเลย รู้กายรู้ใจแต่ความเป็นจริงตามที่เขาเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เขาเป็นงั้นวันธรรมดาแล้วแหมมันเบื่ออยากให้ถึงเสาร์อาทิตย์พอถึงวันศุกร์ก็เริ่มมีความสุขละหลวงพ่อพูดบ่อยๆไงพอรับราชการอยู่ตื่นเช้าวันจันทร์นะใจแห้งแล้งเลยตื่นเช้าวันศุกร์นะมันสดชื่นยิ่งวันเสายิ่งชอบใหญ่วันอาทิตย์ชักชอบน้อยลงแล้วเดี๋ยววันจันทร์ต้องทํางานวันอาทิตย์บ่ายๆชักจะเต่งๆแล้ว ไม่ต้องไม่ต้อเห็นเองช่องว่างที่ขั้นระหว่างอารมณ์แต่ละตัวหรือหรือช่องว่างอะไรอ อ, อ, อ, อืมอ ม, อ ม, มันรู้เองเหรอคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ตาเรามองเห็นรูปนะขณะจิตที่มองเห็นจริงๆอับแมวไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว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 มันก็เลยเป็นตัวตนขึ้นมาอย่างมองพระพุทธรูปปุบนะขนาดจิตที่เห็นเนะียมันว่างเปล่า ม, มีแต่สีนะสีตัดกันเป็นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใจมันจําได้อะารอย่างนี้เรียกว่าพระพอจำได้ขึ้นมาแนละ้วมันก็คิดต่อละมันก็ปรุงต่อเออสวยไม่สวยดีไม่ดีอะไรอย่างงี้กุศลนาะกุศลทึงจะเกิดขึ้นทางใจเพราะงั้นไม่ใช่เจตนาต้องไปดูรูปให้เห็นว่างนะ แต่เมื่อตามองเห็นนะถ้ากิเลสเกิดที่ใจก็คอยรู้เอาแต่ถ้าสติเร็วเนี่ยจะเห็นความว่างอยู่แล้วว่างต่อหน้าต่อตาแมวดูออกไหมโลกกระถางบ้างไม่มีน้ําหนักหนึ่งน้ำหนักเกิดที่ใจแต่ไม่ต้องเจตนานะคือวิถีของจิตวิถีของจิตเนี่ยทีแรกเขาขึ้นมารับอารมณ์แต่เขาไหวตัวขึ้นจากสว่าง เ, เขาเราเลือกไม่ได้นะ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 เอ้ยเลยมองโลกกราแทนะโลกกระแทไม่มีน้ำหนักในใจเราจะมีน้ำหนักเนะี่ยเพราะเราใจเราปรุงกเราฝึกไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งใจหมดความปลุงนะข้างในข้างนอกเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยไม่มีน้ำหนักเหมือนๆกันนะไม่มีภาระที่ต้องแบกมีความสุขนะให้ฝึกแต่ไม่ได้ลึกลับอะไรเลยธรรมะนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นเปิดเผยมากเลยนะแล้วสอนละเอียด น, นะ ตอนเรียนแต่พวกเราไม่ค่อยได้เรีย น, นจะไปอยู่ในพาะอาภิธรรมบางคนเกลียดอภิธรรมนะ่าอยากเผาทิ้งด้วยเพราะว่าพวกเกรียนอพิธรรมนี่ชอบไปด่าพวกปฏิบัติพวกปฏิบัติเลยเกลียดอภิธรรมไปด้วยกันจริงก็องไปเกลียดนักเกรียนอภิธรรมอย่ไปเกลียดพระ อ, อภิธรรมมีอะไรไหมแมวแมวดูไปมันว่างเองมันไม่ว่างขึ้นมาเข้าใจเราปลุก ดูไปเลยโลกข้างนอกก็ว่างอยู่ตลอดอะ่ะใจเราต่างหากที่หนักอเอาดูธรรมดูธรรมเออดีนะดีที่เห็นนะเออดีดีดเออดีแล้วที่เห็นความดิ้นรนของจิตคือความปรุงแต่งของเขาคำ ว, ว่านิพพานนิพพานนะคือวิสังขารไม่ปรุงแต่ง คี่ดูซิว่ามันปรุงทั้งวันดูออกกันยังมันปรุงทั้งวันมันทุกข์นะคือทำลองนึกถึงวันที่มันไม่ปรุงนี่มันจะสุขแค่ไหนใช่ใช่เยอะมากดีนะดีที่เห็นบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะไปสักพักหนึ่งกลับมาบ่นเลยโอ้วิธีกรรมฐานของหลวงพ่อเนี่ยไม่ดี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 มันถ้าเกิดกิเลสหยาบๆเราตอบสนองมันคล้ายๆมันลงทุนแล้วมันได้กําไรอนุสัยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราเข้ารู้มันขึ้นมาไหลแวบเรารู้ขาดไปแล้วเนี่ยมันขาดทุนแล้วเพราะฉะันการมีสติไม่ได้ละกิเลสหรอกแต่ว่าอนุสัยยังค่อยๆถุกละไปกิเลสไม่ต้องละเพราะทันทีที่สติเกิดกิเลสก็ไม่มีแล้วคุณผู้ชายหนีไปคิดทราบไหมแค่นี้นะแค่เนี้ย รู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมาแต่แว บ, บเดียวนะอยู่ได้ไม่นานก็ อ, อะไรเพราะมันก็ไม่เที่ยงเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงมีแต่ของไม่เที่ยงไม่ใช่เรียนเพื่อเอาของเที่ยงนะอย่างพวกฤาษีชีปลายเขาพยายามฝึกให้จิตเที่ยงให้มันสงบถาวรให้มันดีถาวรนะมันก็สงบถาวรชั่วคราวนะมันก็ไม่ถาวรจริงสงบอยู่ได้หลายหลายปีอะไรเงี้ยแต่เสร็จแล้วก็เสื่อม เราพุทธเจ้าเลยไม่ได้สอนว่าให้เราทำจิตให้ดีถาวรพุทธเจ้าสอนให้รู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงจนเห็นว่ามันไม่ถาวรหรอกแล้วก็คลายความยึดมั่นได้ไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเราอีกนะหมดความยึดมั่นตรงนี้ก็หมดความทุกตรงนี้นั้นคนละวิธีกันวิธีของศาสนาอื่นของฤาษีชีพลเนี่ยนะเขาจะฝึกบังคับจิตให้มันดีอยากให้มันดีถาวรให้สงบถาวร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 จะเห็นเหมือนกิเลสเดินผ่านหน้าบ้านเฉยๆดังืั้นใจเราก็ไม่กระเทือนเพราะกิเลสแต่ถ้ารู้ไม่ทันนะ่นกิเลสจะเลี้ยวเข้าบ้านเรานะเข้ามาครอบครองจิตใจเราในนั้นที่เราแคแค่รู้บ่อยๆนะรู้เรื่อยๆบางคนคิดว่าพอเราไปรู้แล้วเราเก่งนะเราละกิเลสได้ไม่มีใครละกิเลสได้สักคนเดียวเพรากิเลสเองก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เอี่ยวเราขับรถอยู่เห็นคนปาดหน้าเราปุ๊บนะเราโกรธนะ แตสังเกตให้ดีนะก่อนจะโกรธเราคิดนิดนึงก่อนเราตัดสินเราให้ค่าก่อนว่าทาอย่างนี้ไม่ดีนะแน่ถ้าแค่ไหนนะอะไรเงี้ยต้องตัดสินก่อนว่าอย่างนี้ไม่ดีถ้าตัดสินว่าไม่ดีด้วยความโกรธก็เกิดขึ้นมาผลทั่วๆไปพอความโกรธเกิดขึ้นก็ถูกความโกรธครอบงําเำไปกดแจ ด, าด่าเขาหรือไปขับจะไปปาดคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ยิงกันได้มีคนทั่วๆไปเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต่างกัานิดเดียวนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าเขาปาดหน้าเห็นอย่างนั้นใจคิดขึ้นมาแล้วไม่โกรธไม่ใช่นะ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 ใครรู้ค่อยดูนะหลักของศาสนาพุทธนะเป็นศาสตร์อันหนึ่งต้องเรียนต้องค่อยๆฟังเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากถ้าเรียนได้เข้าใจได้แล้วจะมีความสุขในปัจจุบันนี้ไม่ใช่หาความสุขแต่ในอนาคตศาสนาพุทธสอนเราเพื่อจะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่สุขชาติหน้านะสุขชาติหน้ามันอินโนเซนต์ไปต้องเดี๋ยวนี้เลยถ้าเรารู้ว่าความทุกข์เกิดได้ยังไง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 เพรานเราอย่างเราเวลาเราปฏิบัติทำเราเหนื่อยแล้วเราโ่วสั่วแล้วดูจิตก็ไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเี่เป็นเวลาทําสมถธิมาพุทโธพุทโธพุทโธไปให้สบายใจหรือหายใจเข้าหายใจออกให้สบายใจไม่ได้หายใจเอาเครื่อนะไม่ได้พุทโธให้สงบด้วยพุทโธเล่นๆถ้าทําเล่นๆแล้วจิตจะสงบเร็วถ้าอยากสงบจะไม่สงบเลยนี่เป็นเคล็ดลับนะกว่าจะได้เคล็ดลับแต่ละตัวเหนื่อยนะ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 ดูมันเล่นเล่นดูมันสบายสบายถ้าพอมันสบายแล้วมันจะสงบนี้พอจิตใจเราสงบแต่และ ว, วันนะทางานมาเหนื่อยเหนะื่อยแล้วกลับบ้านไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระไม่ต้องรีบร้อนนะไหว้พระจริงๆก็คือการทําสมธาธิในตัวเองเพรนั้นสวดมนต์สวดให้มันสบายใจไม่ต้องสวดเยอะหรอกอะระหังตัมมานโมตัสสะอิติปิโสสวัสดิ์ขาโตสุปฏิปันโนอะไรแค่นี้พอแล้วล่ะ สวดไปสวดช้าๆสวดไปให้สบายใจสวดแล้วก็ะระลึกถึงพระพุทธเจ้าอะไรก็ระลึกไปจิตใจมีความสุขนะหรือวันไหนไม่มีเวลาสวดยาวนะพุทโธธรมโมสังโฆท่องเล่นๆก็ได้นะเดี๋ยวก็มีความสุขบางคนก็ท่องพุทโธเมโนาโธธรมโมเมนาโธอนะไรย่างเงี้ยพระพุทธเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าก็ทําทเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้านะไม่มีเวลาจะสวดเลยนะ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 แม้แค่นี้ก็มีความสุขมีความสงบนะพอจิตใจมีความสุขมีความสงบมีกําลังแล้วเราก็มาดูจิตดูใจของเราต่ออาตมาไปยทำถึงขนาะเมื่อก่อนทํางานนะนี่ไม่ค่อยเรียบร้อยหน่อยนะเล่าไม่ถือกันนะทํางานมันเหนื่อยแล้วนะหัวก็หมุนจีๆแล้วเหนื่อยแล้วลุกไปห้องน้ําไปฉี่ตอนที่ลุกขึ้นมาจากโต๊ะทางานเนี่ยหัวหมุนจีเลยดูไม่ได้หรอกจิตนนะ่ะ นะคิดมาจนชุลมุนไปหมดแล้วรู้ร่างกายเนี่ยเห็นร่างกายของเราเนี่ยมันเดินไปห้องน้ํานะเห็นร่างกายมันไปยืนฉี่นะพอมันฉี่เสร็จแล้วมันสบายใจฉีเ่เสร็จแล้วมันสบายใจรู้ว่าสบายใจกลับมาดูจิตได้ละ เ, เดินออกจากห้องน้ําเจอเพื่อนเราทักทายกันหน่อยหนึ่งแหมมันเล่าอะไรตลกดิขำดิขำรู้ว่าขำนี่แล้ปฏิบัติอีกแล้วนะเดินกลับมาทํางานต่อ จริงๆเราไม่ได้ยากอะไรนะรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปถ้ารู้ไม่ได้นะก็ทําสมาธิหนีไปคิดซ้ำไหมแค่ให้คอยรู้ทันไปนแค่เนี้หนีไปคิดอีกแล้วซ้ำไหมไม่ห้ามนะเราห้ามไม่ได้เราไม่ได้เรียนเพื่อห้ามศา ส, สนาพุดไม่ได้สอนให้เราเก็บกดแต่สอนให้เรารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง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 ว่าตลอดวันของเราก็มีอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดนะสามทวาร น, นี้ยใช้เป็นหลักๆส่วนในริมรสอะไรนะั้นมันก็น้อยหน่อยไม่กินอาหารมันก็ไม่รู้รสหรอกอย่างน้ําลายเราเราไม่รู้รสแต่ถามว่าน้ําลายมีรสไหมมีนะวัต ถ, ถุธาตุทั้งหมดมีรสทั้งสิ้นเแต่ว่าเราคุ้นเคยจนไม่รู้รสอะไรสังเกตไปนะพออาตมาหยุดพูดรู้สึกไห้หนีไปคิดเลย กระโดอย่างรวดเร็วเลยปุ๊บ ป, ป, ปบางคนคิดเรื่องอื่ไปเลยนะห้ามไม่ได้ไม่ได้รียเพื่อห้ามนะเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้วันหนึ่งใจเราอยอมรับความจริงกายนี้ใจนี้นเป็นของห้ามไม่ได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ห้ามไม่ไดนะ้นั่นแหละพระโสดาบัน่ะที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าไม่ใช่ดูแค่นี้เราเรียกว่าโสดาบันนะมันต้อมีผ่านกระบวนการตัดสิงความรู้นะแวบหนึ่ง เว็บหนึ่งไม่ใช่วู่หมดความรู้สึกนะเราบอกบรรลุไม่ใช่นะถ้าจิตดับหมดนะอสันยีเป็นลมลุกปักเป็นขณะจิตที่บรรลุมากกว่นี้ผ่านมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกเจตสิกสามสิกว่าตัวมีครบทําอะไรอยู่เมืแ่อบบกี้นี้ให้รู้สึกขึ้นมนะ ราอย่าอย่ถล่มเข้าไปอันนั้นมันถลําเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองนะเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดแล้ว ร, รู้สึกขึ้นมารู้สึกนะรู้สึกเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรยากเอาคุณผู้ชายนะั้นใจลอยไปแล้วรู้สึกไว้นี่ล่ะกลัวหลวงพ่อไหมกลัวรู้ว่ากลัวนะหลวงพ่อไล่ไม่าเรื่อยๆกลัวไปด้วยนะกลัวรู้ว่ากลัว ไ, ไม่ห้ามบางคนบอกดูจิตยากโอ้ยหลวงพ่อ ไปถามเด็กเล็กๆนะเด็กมันยังดูเป็นเลยนั่นอายุกี่ขวบและหนุ่มเนี้ยสิบแล้วเหรอกล้าพูดกับหลวงพ่อใช่ไหมโกรธเป็นไหมเคยโกรธไหมรู้จักไหมโกรธเป็นไงรู้รู้สึกไหมเวลาเราโกรธเรารู้ไหมว่าโกรธอ๋อนะแล้วเคยตะกราบไหมเคยใช่ไหมเคยอิจฉาบ้างไหม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 คนทั่วๆไปพอเห็นสาวเดินมาแล้วสวยนะเจอมัวแต่ดูสาวนักปฏิบัติเหรอเห็นสาวสวยเดินมาโอ้ใจเราชอบเขารู้ว่าใจเราชอบเขานี่นักวิปัสสนานะถ้านักสมถะจะรีบดูผู้หญิงนั้นใหม่มีแต่หนังผุ้มกระดูกโต๊ะโปรกโตโปรกนะนี่หลอกตัวเองแล้วก็ราคะหายไปนี่คนเรอ่านกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเพราะงั้นเราเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบนะสุธรรมชอบ แต่ชอบรู้ว่าชอบจะเห็นเลยความชอบหรือความรักหรือโลภะ ห, หรือราคะโดยเนี้ยเป็นสิ่งที่ผ่านมาในใจเราผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเป็นสิ่งที่ปรุงขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็ดับไปนี่นักปฏิบัติถ้าเนักไม่ได้ปฏิบัติก็จะเห็นแต่สาวฟังเพลงฟังเพลงเพล้ออย่างถ้ารุ่นหลวงพ่อรุ่นท่านทวีชัยต้องฟังเพลงโบราณโบราณใหม่แล้วมันเพล้อฟังเพลงเด็กสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออก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 อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวเขาไปนะนี่เห็นอย่างนี้นะเดินเดินอยู่ได้กลิ่นดอกไม้หอมนะพวกที่มาบ่อยๆห้ามตอบนะมีคนหนึ่งมามาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเรียนเสร็จแล้วก็เข้ามาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อผมภาวนาเป็นลับง่ายมากเลยถ้าผมออกจากศาลาเนี่ยนะได้กลิ่นดอกไม้หอมผมรู้ว่าดอกไม้หอมผมภาวนาเก่งแล้วถูกไหม ใครว่าถูกใครว่าไม่ถูกไม่ถูกไงเพราะว่าคำบอกมอีคนที่ที่คิดก็คือกำหนดกำหนดว่าได้กลิ่นไม้อ่าอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอ้าวใครมีคำตอบอื่นอีกไหม <c oughs> ถ้ากำหนด่าผิดหมดะ <c oughs> นะนะที่จริงก็คืออย่างตอนได้กลิ่นดอกไม้หอมเนี่ยไม่ใช่รู้ว่าดอกไม้หอมรู้ว่าดอกไม้หอมเนี่ยคนที่เขาไม่ปฏิบัติเขาก็รู้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเราได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบเนะี่ยรู้ว่าใจเราชอบใจเราเกิดสงสัยว่านี่มันดอกอะไรนะรู้ว่าสงสัยเพราะงั้นเะมื่อตามองเห็นความรู้สึกเกิดที่จิตเราก็รู้นะทัเนเช่นเห็นนางงามจจกฟวาลใจเรารักเนะี่ยเราก็รู้ทันนะหูเราได้ยินเสียงได้ยินเพลงนิเพราะใจเราชอบเราก็รู้ทันว่าใจเราชอบได้กลิ่นดอกไม้หอมใจเราชอบหรือใจเราสงสัยว่าดอกอะไรเราก็รู้ทันอีกมันชอบก็รู้มันสงสัยก็รู้นะ จครรู้ทันใจของเราไปด้วยบางทีเราก็นั่งคิดนะคิดเรื่องน้นเรื่องนี้คิดถึงใครสักคนหนึ่งคนทั่วๆไปก็จะรู้ว่าอ๋อวันนี้คิดถึงท่านทวีชัยคิดถึงคุณกบคุณแมวอะไรเงี้ยคนทั่วๆไปรู้อย่างนี้แต่เราก็รู้มากกว่านั้นหน่อยหนึ่งรู้ทันใจเราเอาไปคิดถึงท่านทวีชัยแล้วรู้สึกหน้าเริ่มใส่อะไรเงี้ยเริ่มใส่รู้ว่าเริ่มใส่คิดถึง<ข> อ, อ่าวามาันคือการการศึกนาที่การตามตามตาม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 อาปฏิเวสส่งกันบ้านน่อยลงบ่อยดีนะชอบนะคนหลงบ่อยไม่ชอบคนหลงนานเฝ <c oughs> อไปแล้วรู้ไหมแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเมื่อกี้เนี้ย <c oughs> มไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> มืวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้แอบไปคิดแล้วคุณบอกไม่ใช่แต่ว่ากําลังไปคิดเรื่องนี้หลวงพลังคิดคำว่าวาสีครับไม่เอาไม่เอา <c oughs> ไม่เอานะ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 จะได้บรรลุธรรมว่อๆอ้าวทางนี้ว่างไงทางนี้มาหลายปีละสองคนนี้เป็นไงนบ้างเออเผอนาน <c oughs> อย่าเผลอนานนะักเ <c oughs> อออหันหหรู้สึกบ่อยๆนะรู้สึกเรื่อยๆคือ <c oughs> ถ้าใจเรามีฉันทะ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 พอได้ยินคําว่าให้ดูจิตตัวเองให้อ่านใจตัวเองเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยรู้สึกน่าสนใจมันคืออะไรนะมันอยู่ที่ไหนนะเราจะรู้มันได้ยังไงพอหัดตามรู้ตามดูก็เห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันเลยมีอะไรแปลกใหม่ให้รู้ใ ห, รให้ดูทุกๆกวันไม่เคยเหมือนี่นหรอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกน่าสนใจเนี่ยพอรู้สึกว่าน่าสนใจคือชันท่ามันเกิดพอใจที่จะรู้แนละขยันดูที่สุดเลย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 รู้สึกไอ้มันแปลกจังเลยสนใจมากเลยคอยรู้คอยดูทั้งวันนี่พอฉันท้าเกิดนะวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรก็เกิดเกิดเองไม่ต้องเชื้อเชิญนะจิตตะคือความใส่ใจก็เกิดสนใจมันก็คอยใส่ใจคอยรู้คอยดูด้วยจิตใจก็ไม่หนีไปที่อื่นเลยคอยเคล้าเคลียศึกษาเรียนรู้อยู่แต่เรื่องจิตเรื่องใจตัวเองนี้เรีย ว, ว่าวิมังสาใข้ครวรอยู่ตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราขยันรู้ขยันดูนะ ดูอัตโนมัติดูทุกวันสนุกในการรู้การดูไม่ใช่ดูโดยหวังผลด้วยไม่ได้คิดเลยว่าดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกแค่ว่าจิตใจมเป็นของน่าเรียนรู้แล้วก็ตามเรียนรู้ไม่สนใจเลยนะว่าผลคืออะไรยจะไม่เหมือนกับตอนเด็กๆยี่สิบกว่าปีผ่านมาทําโดยหวังผลตลอดเลยเออเราก็หายใจมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีอะไรเงี้ย น, นะทําแบบหวังผลทําแบบหวังผลแล้วทำด้วยตัณหา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 นักปฏิบัติก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้สึกว่าจิตใจของเราน่าสนใจน่าตามรู้ตามดูมจะขยันดูนะแล้วมีความสุขที่ได้รู้ได้ดูด้วยอีกคนนึงอยากบรรลุลูกเดียวเลยนั่งเพ่งนั่งเพ่งเพ่งไปก็โมโ ห, มหมเมื่อไหร่มันจะบรรลุสักทีเยก็ทาด้วยตัณหาปรับใจเราให้ดีแค่รู้สึกว่ามันน่าเรียนรู้นะแล้วก็าตามรู้ไปอย่างที่เขาเป็นตามรู้อย่างที่คุณนี่บอกตามรู้ไปเรื่อยๆ อาคุณโนนเป็นไงพาวนาเป็นี้งบ้างเรื่อ ย, อยแปลว่าอะไรเรื่อยๆไอประโยคนี้นะหลวงพ่อได้ยินทุกวันเลยเรื่อยๆแต่แปลไม่ออกเ อ, เอออย่างงั้นสิเนาะให้มันเห็นบ้างก็ยังดีนะเรื่อยๆผมไม่ได้ดูเลย เห็นแล้วมันมีความสุขนะเคยรู้สึกไหมแค่รู้มันก็มีความสุขนะกรรมฐานเลยไม่ใช่เรื่องเคร่งเครียดทำแล้วมีความสุขสมโพงดีแล้วนะสมโพงนุ่นหลนอยู่ข้างตู้รู้เรื่องบังไหมเมื่อบ่อยเลยใช่ไหมเออดีถ้ารู้จักเมือนะแทบจะปฏิบัติได้แล้วเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนะเราเมื่อบ่อยที่สุด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 อย่างนี้พอดูได้ไหมดูสามอย่างใจเรามีความสุขก็รู้นะใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเราเฉยๆก็รู้เนี่ยคุณไปดูสามอย่างนี้ก็พอละนะเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมนั้นเนี่ยหัดอย่างเนี้ยนะคอยรู้ไปเรื่อยๆหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมสังเกตไม่เวลาเราไปคิดนะเราจะรู้เรื่องที่เราคิด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 ถัดจากนั้นเนี่ยเราก็คอยรู้ทันใจของเราไม่เก็บกดนะเดี๋ยวก็มีโรคเดียเด๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวยงนอย่างนี้คอยรู้เรื่อยๆ ใ, ใจมันวิ่งวับแวบวับแวบตูออกไหมล่ะเออนั่นแหละเรียกว่าทำแล้วนะเพราะงั้นต่อไปนี้นะคอยดูใจที่วิ่งวับแวบๆับแวไปเรื่อยไม่ได้ไปหยุดเท้านะรู้เฉย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 หรือจิตไม่มีโทสะนี่ก็อีกคู่หนึ่งจิตมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ อ, อีกคู่หนึ่งจิตฟุ้งซ่านหรือจิตหดหู่นี่ก็อีกคู่หนึ่งจิตมีโมหะแล้วมันเผลอๆไปกับจิตที่มันรู้ขึ้นมารู้สึกขึ้นมาจะเห็นว่ามีหลหายคู่แท้จริงแล้วเวลาปฏิบัตินะแค่คู่เดียวก็ครอบคลุมการปฏิบัติทั้งหมดได้และนะน้วเช่นจิตเผลอไปตอนนี้จิตเผลอไปพอเผลอไปแล้วเดี๋ยวก็มีราคะโทสะอะไรตามมาก็ช่างมันเถอะแค่รู้ว่ามันเผลอนะจิตขนาดนี้ไม่เผล่ละ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 อย่างนั้นได้สมถะได้สบายนะนี่พอหายใจไปแล้วช่วงหนึ่งพัฒนาต่อไปอีกอย่าหยุดแค่นี้นะแค่นี้แค่ๆเราเจอศาสนาพุทธแล้วเจอคุ้มสมบัติแล้วเรามาเอาสมบัติเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็ไม่น้อยอนะได้ความสุขความสงบมันก็ดีกว่ามนุษย์แทบทั้งโลกแล้ว น, ะนี้ถ้าจะเอาต่อไปก็คือนั่งไปแต่จิตเราสงบหรือว่าสงบนะนั่งแล้วจิตมันหนีไปที่อื่นเรตามลมอยู่แล้จิตหนีไปที่อื่นรู้ทันว่าหนีไปที่อื่นไม่ห้ามนะไม่ห้าม นั่งไปเพื่อจะหัดรู้จิตใจตนเองนะจิตเป็นสุขก็รู้จิตมีปิติก็รู้อะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆต่อไปพอเรารู้ทันจิตใจชํานิชํานาญแล้วเรามาอยู่ในโลกข้างนอกนี่คล้ายๆเราเข้าค่ายซ้อมมวยไปแล้วเราไปนี้ชกจริงและโชคจริงๆก็คือออกมาอยู่กับโลกธรรมดาเนี่ยตามองเห็นเนี่ยใจเราดีใจแล้รู้ทันก็เราเคยหัดดูใจของเราตั้งแต่ตอนนั่งหายใจทําอย่างนี้นะแล้วมันไปได้อย่าหยุด น, นะจยได้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วต้องเอาให้ได้อ้าวเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหม <c oughs> นั่นแหลคุณที่นั่งสีเกสุธรรมอะรู้จักใจลอยไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักเหม่อเหม่อไหมเคยเป็นไหมอ่ต่อไปนี้พอมันใจลอยหรือมันเหม่อนะรู้ให้ไวๆหน่อยเนี่ยมันเหม่อไปคิดอีกแล้วดูออกไหม <c oughs> มันดูยากนะค่อยๆค่อยๆฟังนะฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นอย่าใจร้อนถ้ารีบร้อนจนะยิ่งแย่ใหญ่ยิ่งไม่ได้เรียนธรรมะใจเย็นๆค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปอ่ะคุณนี้หละเหลืออยู่คนเอ็มที่ใส่แว่นต า, าเออทั้งแรกแล้วเป็นไงง่า ย, าย <laughs> มันไม่ยากนะหลวงพ่อจะบอกอะไรให้อย่าง ถ้าเมื่อไหร่ลงมือทำนะเมื่อไร่พยายามนะยากสุดขิดเลยแต่เมื่อไหร่ไม่ต้องทำอะไรนะใจเราแอบไปทำอะไรเราคอยตามรู้ง่ายสุดขิดเลยเพราะเราไม่ต้องทำอะไรเราเป็นแค่คนดูทำตัวเป็นคนดูเมื่อวานมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรกาแพงแสนมาคนเป็นนักวิจัยบอกเวลาเราเรียนธรรมะนะก็เหมือนเราทาวิจัยเรื่องหนึ่งเรียกว่าธรรมวิจัย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 ถ้าเราอยากดูจิตใจของเรานะเราอย่าไปจ้องใส่มันนะมันนิ่งหมดเลยมันเรียบร้อยหมดเลยต้องดูอยู่ห่างๆนะชำเลืองชำเรืองเองนะแอบดูมันถึงจะเห็นความจริงว่ามันหลายแค่ไหนเนะือหัดรู้ไปได้อะของง่ายอย่าคิดมากนะคิดมากยากนานเนี่ยแอบไปคิดแล้วอ้า <c oughs> แล้วควนนีนะ้มาจากไหน <c oughs> หรือมาด้วยกันรู้เรื่องอยัง หัดดูใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอย่างคนมาเอาใจเราเราก็ดีใจใช่ไหมคนมาขัดใจเราเราก็ไม่พอใจเนี่ยพอเราดีใจเราก็รู้เราไม่พอใจเราก็รู้เราคอยดูใจเราอีกหน่อยเราไม่สนใจเราใครจะเอาใจเราหรือไม่เอาใจเราเพราะเรารู้ว่ามันเอาใจเรานะเราก็ดีใจเดี๋ยวเดียวอย่างเงี้ยมขัดใจเราเราก็โกรธเดี๋ยวเดียวเป็นอะไรสบายไม่แกว่งขึ้นแปงลง อ้าวจันปูจันปูก่างไงเอ่อง่วงรู้วง่ง่วงนะง่วงกายหรือง่วงใจแล้วมันน่าจะง่วงกายมั่ออากาศมันเป็นใจแล้วเพิ่มทานข้าวด้วย น, ะนี้ไปคิดอีกละเนี่ยไปดูเขาลืมตัวเอง เป็นไปหัวเราะหัว่าเมื่อกี้ตอนหัวเราะนึกออกไหมเรานั่งอยู่นี่เราลืมไปนะใจเราเราจะลืมตัวเราเอางทั้งวันอันนี้แอบไปคิดแล้วรู้ไหมฟังหลวงพ่อพูดฟังแล้วก็คิดดวกไหมฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเออให้คอยรู้ทันมันจิตนะไปฟังรู้ว่าฟังจิตไปคิดรู้ว่าคิดนะเราจะตื่นขึ้นมาเลยนันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเทียนไหม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 เพรนันอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันจิตของเราเหมือนกันไปรู้ทันจิตใจตนเองเรื่อยๆอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้นะออบเจกตีฟออบเจกหรออบเจกการรู้นี่รู้รู้หลังศีรรู้รู้่อนต้องรู้หลังสิต้องรู้หลังนะมีผัสสะแล้วก็ใไปเกิดสติขึ้นไปรู้ อ, อย่าอย่ารู้ก่อนถ้ารู้ก่อนจะเป็นการไปดักเอาไว้ก่อน ไม่ไม่กําหนดไม่หยุดนะเรารู้เพื่อให้เห็นความจริงหลวงพ่อยกตัวอย่างให้คุณฟังอย่างเช่นว่าคุณเห็นศัตรูของคุณเดินมาตามองเห็นรูปนี้เป็นผัสสะนะกระทบอารมณ์แล้ตาก ร, ร, ระทบอารมณ์นี่เป็นผัสสะแนะเสร็จแล้วใจเราก็คิดขึ้นมาอันนี่ศัตรูเรานะใจเราก็เกิดความโกรธขึ้นมานะนี่เราปล่อยให้เขาทํางานตามธรรมชาติเลยนะเราไม่เข้าไปขัดขวางกระบวนการของจิตเลยนะ ถ้าจิตเกิดความโกรธเรารู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นความจริงว่าความโกรธนี้ยแต่เดิมไม่มีตอนนี้มีขึ้นมาแล้เรารู้เราดูไปเรื่อยๆนะความโกรธก็เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้มันดับของมันไม่กลับไปที่ฐานไม่ต้องกลับอย่าจงใจดึงนะถ้าคุณจงใจดึงกลับมาฐานนะคุณจะแน่นที่หน้าอกฐานแล้วถึงภาวะที่ลมหายใจไม่ต้องละวลมหายใจมันเป็นแค่เครื่องอาศัยชั่วคราวนะเครื่องอาศัยเพื่อว่าเราจะรู้ทันจิตใจของเรา เมื่อเรารู้ท่านจิตใจของเราเราก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องอาศัยนั้นคุณเคยเห็นเขาหัดไว่น้ำไหมเขามีห่วงยางมีโฟมไม่เกาะอะไรเงี้ยอันนั้นสําหรับคนที่หัดใหม่หัดเบื้องต้นแต่พอเขาว่ายไปแล้วเขาไม่เกาะแล้วเกกะจะเป็นผาระเราหัดใหม่ๆเราก็หัด ห, ห, หายใจไปหายใจไปแล้วก็ค่อยสังเกตใจเราหายใจไปแล้วใจหนีไปก็รู้จิตใ จ, จมีปีติก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นยังไงก็รู้ หาใจจนกทั่งเรารู้เท่าทันใจของเราได้อย่างชำนิชำนาญพอชำนิชำนาญแล้วเราก็มาอยู่ในชีวิตจริงนี่ทดสอบแล้วทดลองตัวเองนะว่าไอ้ที่ฝึกมาได้เรื่องไหมตา ม, มองเห็นเนี่ยความรู้สึกเกิดที่ใจละวนะอย่างตอนเรานั่งหายใจใช่ไหมความรู้สึกก็เกิดเช่นมีปีติมีสุขอะไรเงี้ยมีความสงบเนี่ยพอต า, ามองเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลเราก็รู้ทันที่ใจของเรารู้ไปเรื่อยๆนะไม่ไปบังคับไม่ไปห้าม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 พอต่อได้ไหมเอาต่อนะอย่าหยุดอยู่แค่หายใจนะมิน้นหายใจไปจนแก่คุณจะเก่งมากเลยพอหายใจปุ๊บคุณจะสงบมีความสุขเลยแล้วก็คุณจะไม่ทำอย่างอื่นละพระสีอานมาตรัสรูเข้ามาไม่ทันแล้วนะเพราะจะเปลี่ยนเพือมตอนที่ผมทดลองเคยทดลองดูว่าช่วงที่มันพุ่งขึ้นมาแบบโอโหหรือว่ามี emotion ออกมา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 แเป็นเรื่องของสมถะนะเราไม่ได้เรียนเพื่อเอาสิ่งนี้ม ไ, ไม่เป็นไรคืออย่างนี้การปฏิบัติทำทางศาสนาพุทธเนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆ น, น, นะเพื่อให้ใจของเราพ้นความทุกข์ไม่ใช่เพื่อให้ความจํายาวนะถ้าอยากฝึกความจํายาวเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรนะเราคอยมีสติกํากับลงไปเรื่อยๆ สมมติเราจะวางวางอันนี้ลงไปตรงเนี้ยเราทําความรู้สึกตัวเลยว่าเราวางอั น, นี้ลงไปตรงนี้อย่างนี้มันจะจําแม่นแต่ถ้าเราฝึกวิปัสสนาฝึกเจริญสติเราไม่ได้ทําอย่างนั้นหรอกเราฝึกเพื่อให้รู้ทันใจของเราฝึกเพื่อจะไม่ทุกข์นะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ความจําดีควรเราวัตถุประสงค์กันเพราะงั้นต่อไปสมมติว่าเราความจําเราสรัา้นหรือความจำเราเสื่อมจิตใจเราก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมได้นี่ตรงนี้สิอัศจรรย์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 เช่นเราจะวางของตรงนี้ยทําความรู้สึกตัวให้ชัดๆเลยว่าวางไว้ตรงเนี้ยจะ๋ยไม่จะจําได้แมวดูบ่อยไหมขยันแมวดูเรื่อยๆไปนะดูไปตามธรรมดาดูจิตใจที่มันปรุงแต่งนะดูมันจนมันเลิกปรุงเองเพระฉะนนจุดหมายปลายทางของการปฏิบัตินะั้นก็คือรู้เท่าทันความปรุงแต่งไปเรื่อยๆ วันหนึ่งเขาเลิกปรุงแต่งเขาเลิกเขาเองอย่างตอนเราไม่รู้ทันนะี่มันจะปรุงยาวถ้าเรารู้ทันก็จะปรุงสั้นลงสั้นลงสั้นลงเนะถึงจุดหนึ่งจะขาดวับเลยไม่ปรุงตรงที่ขนาดที่ไม่ปรุงนะั้นความตัเป็นตัวตนเไรไม่มีเลยตรงนะี้ถ้าสติทันนะสักยะทิฏฐิจะขาดงั้นแมวก็ดูไปเรื่อยมันปรุงก็รู้ปรุงก็รู้มันแอบทํางานก็รู้มันเรื่อยๆไป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 เรียนรู้วัฏตะไปนะจนพ้นวัฏตะต้องเรียนรู้ทุกนะถึงจะพ้นทุกไม่ใช่หนีทุกนะหนีทุกไม่พ้นทุกหรอกหนีทุกจะพอกพูนอัตตาจะรู้สึกว่ากูเก่งกูหนีได้และหนี่ได้ชั่วคราวงั้นเราเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายรู้ใจสติปัฏฐานสี่ไหมกายนี่ก็คือตัวรูปเวทนานี่เป็นส่วนของจิตใจละ จิตก็เป็นจิตที่เป็นกุศลนะกุศลนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องนามธรรมส่วนธรรมธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจแปรกันอยู่ดันะัการปฏิบัติเนี่ยมีแต่เรื่องรูปกายรู้ใจนะอย่าไปเอาความว่างความว่างเป็นผลสุดท้ายหรอกที่จะไปถึงนะคล้ายๆเรายังไม่รวยนะแต่เราเข้าไปที่บ้านเศรษฐีคนหนึ่งเห็นสมบัติเขาเยอะอะไรเงี้ยเราอยู่ไม่ได้หรอก ต้องมาทำมาหากินให้รวยเดี๋ยวเรามีสมบัติอันนี้ขึ้นมารู้กายรู้ใจนะอย่ า, อาความว่างพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านสอนให้รู้ทุกท่านตรัสรู้ขึ้นมาท่านถึงประกาศเลยว่าถ้าท่านไม่รู้อริยสัจสี่มีวงรอบสามรวมแล้วเป็นสิบสองท่านจะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าเลยขนาดพระพุทธเจ้ายัางตรัสรู้ด้วยการรู้ทุกข์เลย เมื่อเราอย่าอย่าทําเกินที่ท่านบอกนะนื่องจาการพ้นรูปจาลุทันเนี่ยตามรู้ทันไปจนเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราพอปล่อยวางความยึดถือกายกับใจได้เรียกว่าเป็นพ้นจากรูปนามนิพพานก็คือการที่พ้นจากรูปนามนั่นแหละความพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นพอเราไม่คิดว่าตัวเรามีอยู่ไม่รู้สึกว่าตัวเรามีอยู่เนี่ยการดิ้นรนของจิตใจจะหมดไปเองเพราะฉะนั้นรู้ทุกข์แกมแจ้งนะสมูทยัยคือความดิ้นรนของจิตใจเนี่ยจะหมดไปเอง ดังนั้นให้รู้ทุกไว้เถอะแล้วตัณหาดับเองที่มันมีสมุทัยมีตัณหาได้ก็เพราะอะไรมันอยากให้ตัวเราเนี้ยมีความสุขอยากให้ตัวเราพ้นทุกข์ทำไมมันมีตัวเราขึ้นมาเพราะมันมีความไม่รู้มันไม่รู้ว่าไอ้นี่จริงๆไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุของโลกนี้เองถ้าพูดหยาบๆนะนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์อีกตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์ฝูงหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ย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 ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยนะมันจะทำงานไปด้วยความเมตตาล้วนๆเลยมันจะหันมาเห็นสิ่งที่เคยลาบากมาด้วยกันเนี่ย้วมันจะสลดสังเวชใจ ม, มีข้อสงสัย็นเื่องครที่เกิดยุย้เข้ า, ามาเก่าลสยแต่ไม่ใช่เรื่องของกรร ม, มเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องของที่เป็นทีมกรรมนี้มีสองส่วนนะกรรมในอดีตกรรมเก่ากับกรรมปัจจุบันใช่กรรมเก่าเนี่ย กรรมเก่านี่รวมทั้งพบแต่กี้นี้ด้วยนะพบใกล้ๆนี้ด้วยเมืม่อไม่กี่ขนาดจิตนี้ก็กรรมเก่าใช่ใชแล้วก็ข้ามชาติก็ได้พระเจ้าสอนไว้ทั้งสองแบบนะบพวกเราบางคนเรียนอ่านของท่านพุทธทาสมากไปอ่านผิดหลวงพ่อแหละเคยผิดแล้วคิดว่าตายแล้วศูนนะตายแล้วข้ามพบข้ามชาติไม่ได้ะท่านพุทธทาสสอนปฏิจจสมบัติขนาดจิตเดียวเนี่เป็นเข้าใจอย่างนี้นะ แล้ววันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีปุญญาณุภาพก็ไปพูดอย่างนี้ให้ท่านได้ยินเขาท่านโอ้เขอยากกราบท่านนั้นทุกวันเนี้ยท่านกวักมือเรียกมาเลยบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะท่านยกพระไตรปิฎกมาให้ฟังเลยเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไปหาท่านอาจารย์พุทธากไปกราบท่านอาจารย์พุทธาท่านอาจารย์ครับตายแล้วสูนใช่ไหมท่านสอนมาตายแล้วสูนใช่ไหมท่านถามว่าไงนุ้มไหมท่านตอบว่าไงไหมคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิหรอ งั้นคำว่าพบชาติเนี่ยนะไม่ใช่ขนาดนี้เท่านั้นนะข้ามพบข้ามชาติก็มีนะเนี่ยดูความดื้อนะจากสุชีพท่านบอกแล้วนะเอาพระใจปดกมาให้แล้วนะนะอย่างไปถามท่านอาจารย์พุทธทาสเนะี่นับถือท่านมากเลยคว่ากรรมเก่าเนี่ยก็นะคือวิบากนะวิบากจากการกระทาในอดีตมันจะส่งผลให้เราต้องมาเผเชิญกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อเราเผชิญสถานการณ์ปัจจุบันแล้วหน้าที่ของเราตอนนี้คือทำกรรมใหม่ที่ดีที่สุดนะเพื่อจะได้เกิดวิบากที่ดีต่อไปจะมายกตัวอย่างอย่างสมมติคนคนหนึ่งมีวิบากที่ไม่ดนะีไม่เคยทำทานนะมีเรียกมีชนกกรรมคือกรรมที่ส่งให้มาเกิดเนะี่ยเกิดมายากจนนะถ้าเป็นศาสนาอื่นโอ้เราทากรรมเก่ามาเราเลยยากจนก็ยอมจำก น, นกับกรรมเก่านี่ไม่ใช่พุทธนะ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 ถ้าเราฝึกของเราเราทำของเราเนี่ยทํากรรมใหม่ที่ดีอย่างนี้เรื่อยๆกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยจะไปบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าลงะไม่ใช่เรื่องแก้กรรมนะไม่ใช่แก้เจ้ากรรมนายเวรพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่สอนให้เราลงมือทํากรรมใหม่ที่ดีเนี่ยผลของกรรมใหม่ที่ดีเนี่ยจะบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าในที่สุดเราก็รวยกรรมเก่าเนี่ยก็เรียกว่าถูกอุปค่าตรรมถูกฆ่าตายไปแล้วด้วยกรรมใหม่ที่ดี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 อ่าใช่นะต้องทำนนะต้องสู้นะชาพุทธไม่ใช่ลัฐที่ยอมจานนนะชาพุทธเป็นนักสู้นะแต่สู้แบบไม่เบียดเบียนนะ